การแผ่เมตตามันก็เป็นวิธีการอบรมจิตอย่างหนึ่งทำให้จิตใจละาอ่อนโยนพอจิตใจอ่อนโยนแล้วนะกายวาจาก็จะอ่อนโยนตามมาด้วยเมตตาจิตนี่เวลาเราแผ่ออกไป แม้แต่สัตว์ก็จะรับรู้ได้ถ้าว่าจิตของเราเปลี่ยนไปด้วยเมตตาจริงๆคือไม่คิดร้ายแล้วก็ปรารถนาดีมีแต่ความปรารถนาดีเนี่ยมันก็จะเป็นพลังที่เย็นที่สงบที่แผ่ออไปให้สัตว์รับรู้ได้ เดียว่าแต่คนเลยพระที่ท่านไปทุดงในป่าท่านจะพบกวับเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ชีอว่าเนี่ยสัตว์เนี่ยก็รับรู้ถึงพลังแห่งเมตตาหรือความสงบเจ็นในจิตใจได้พระอาจารย์จูน แห่งผูทอกนะทา่นานก็มรณภาพไปนานแล้วนั้นเคยเล่าวัานตอนไปทุดงในป่าก็ค้างแรมอยู่หลายวันในนั้นเวลาเดินจนกลมเนี่ยก็จะมีกระต่ายน้อยนะตัวหนึ่งมานั่งหลับตาพริมอยู่ ใกล้ๆทางจงกลมทางจากทางจงกรมก็แค่สอกเดียวท่านเดินผ่านไปผ่านมากระตายก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนั่นผิดธรรมชาติของกระต่ายที่มันระแวงไัยมากแต่นี่มันนิ่งสงบท่านเดินจงกลมผ่านไปผ่านมามันก็ ไม่รู้สึกถึงอันตรายเวลาพระอาจารย์จวนนั่งเดินจงกรมเสร็จ ก, ก็มานั่งที่แคร่มันก็มามานั่งใกล้ๆท่านอยู่ใต้แคราเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันถ้ามีคนมามันก็วิ่งหนีหลบไปแต่พอคนไม่มามันก็เออมาก็มาทำ อยู่ใกล้ๆท่านเหมือนกับว่าเป็นสัตว์สารรู้ทั้งๆ ท, ท, ที่ก็เป็นแค่กระต่ายปา่าน่ามารับรู้ได้นะถึงความเมตตาไม่มีพิษไม่มีภัยของท่านเอาจริงๆอย่าว่าแต่กระต่ายเลยแม้แต่เสือเนี่ยก็เหมือนกันนะ เวลาไม่ได้สัมผัสถึงความเมตตาก็เชื่องได้เหมือนกันหลวงปู่ชอบท่านเคยเล่าขานหนึ่งไปทุดงในในในป่าแล้วก็ไปพักอยู่ในถ้มกลางวันนี่ก็มีเสือตัวหนึ่งตัวใหญ่มาที่หน้าถ้มแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมานั่งพักผ่อนอยู่ตรง โขดหินตรงปากถรำนะสูงสักประมาณสักเมตรหนึ่งได้แล้วก็ไม่ทำอะไรก็มานั่งเลียแข้งเลียขาแล้วก็นั่งพักผ่อนบางทีก็เหลือมามองท่านในที่อยู่ในในรรมก็นั่งอย่างนี้ทั้งวันเลย ท่านเลยไม่กล้าไปออกออกไปจงกรมเพราะว่าเวลาเดินจงกลมท่านก็ไปเดินจงกรมหน้าถ้าแต่ว่ามันก็โดนเสือยึดครองที่ไปแล้วจงได้เวลาจำจาวัดท่านก็จำวัดตื่นขึ้นมาจะไปบินธบาตเสือก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ยอมไปไหนเลยการที่จะทำยังไง ท่านต้องไปบินธบาตสุดท้ายก็เลยนะขออนุ ญ, ญาตเสือนะพูดกับเสือด้วยเมตตาว่าตอนนี้ได้เวลาบินธบาตแล้วนะเราก็มีความหิวเหมือนกับสัตว์โลกทั่วไปนะขอเราไปบินธบาตหน่อยนะเสืออย่าไปเดือดร้อนนะอย่าไปอย่าระแวงภัยนะให้เราได้บินธบาต จะอยู่ที่นี่หรือจะไปที่อื่นก็ได้นะไม่มีพิษไม่มีภัยต่อกันก็พอขอเนีญาเสือแล้วก็เดินผ่านท่นว่าเนี่ยเดินห่างจากเสือแค่เมตรเดียวเมตรเดียวนมันไกลมากนะประมาณสักสองศอกได้มันก็ยอมนะยอมให้ทันเดินผ่าน ไปเบียนบบาทพอกลับมาก็เสือก็หายไปแล้วสัตว์ที่ดุร้ายนี่ก็ยังสามารถสัมผัสรับรู้ได้ถึงเมตตาในใจของเราถ้ความเมตตาของมนุษย์เราหากว่าแสดงออก ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วนี่สัตว์ก็ยังสามารถจะรักลูแล้วก็บางทีเอามาฝึกฝนก็ได้เมื่อวันก่อนไปดูโทรทัศนะ์นะเขาก็เอาเรื่องราวของจระเข้ตัวหนึ่งนะจระเข้ตัวนี้ก็อายุมากทีเดียวนะ ยี่สิบสามสิบปีได้ปรากว่ามันมันเชื่องทีเดียวท <c oughs> ่าน้นที่พื้นเพยก็เป็นจระเข้ในป่าเจ้าของนี่เล่นกับมันได้ฝึกให้มันทำท่านั้นท่านี้ก็ได้ฝึกให้ ให้มันทำท่ายันเอาเท้ายันหน้าแก่ก็ได้หรือว่าจะให้อ้าปากเฉยๆแล้วกินแล้วก็เอาปามาวางไว้ตรงตรงลิ้นนะโดยที่ไม่กระเดือกเข้าไปมันก็ทำได้เจ้าของเขาเราว่าเนี่ย เคยช่วยชีวมันเอาไว้มันก็เกือบตายนะช่วยมันจนกระทั่ทงมันเป็นปกติเฉลิมก็ไม่ไปไหนอะ่ะมันก็หากินอยู่ใกล้ๆบ้านพักของแกจนกระทั่ทงคุ้นเคยกันลงน้ำมันก็มาเวลาลงน้ำก็มามามาเล่นอยู่ใกล้ๆ มันไม่ทำอันตรายอันตรายแกตอนหลังก็เลยเอามาฝึกซะเลยนะพอคุ้นเคยกันมากก็มาฝึกให้ทำท่านั้นท่านี้บางทีแกก็อุ้มมันบางทีแกก็เอาหัวเนี่ยดันดันปากจระเข้มันก็ยอมให้ทำนั่นนี่เลยว่าสัตว์มันฝึกได้นับภาษาแลยกับคน คนเรานี่ได้ชื่อว่าสัตว์ประเสริฐนะแต่ที่ประเสริฐนี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีสมองมีปัญญาฉลาดกว่าสัตว์ชนิดอื่นเท่านั้นหมอในอย่างชาวพุทธเนี่ยจะประเสริฐได้ก็เพราะว่ามีการฝึกฝนตนมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้เพราะว่าฝึกฝนตนถ้าไม่ฝึกฝนนี่ ก็สามารถจะเป็นอสูรได้นะสามารถจะกลายเป็นสัตว์นรกได้เพราะว่าปัญญาที่มีอาจจะใช้ในการทำลายล้างก็ได้มนุษย์เหล่านี้ทำลายล้างได้สูงมากสามารถจะฆ่าเพื่อร่วมเผ่าพันธุ์เดียวกันได้สัตว์ชนิดอื่นเนี่ยมันก็ต่อสู้กันเพื่อแย่ง แย่งคู่หรือไม่ก็แย่งอาหารแล้วก็ปกป้องถิน่นแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำท่ายอมแพ้มันก็ไม่ทำอะไรนะสังเกตมหเวลาหมานี่มันกัดกันเนี่ยถ้าหมายตัวหนึ่งทำท่ายอมแพ้นอนนะอนอนงายเนี่ยตัวที่แข็งแรงกวาก็ไม่ทำอะไร แต่ว่ามนุษย์เหล่านี้ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้แล้วก็ยังสามารถจะทำร้ายหรือเข็นฆ่าได้แล้วก็อาจจะทำร้ายด้วยเหตุผลอื่นและไม่ใช่เพียงแค่ว่าแย่งคู่หรือว่าแย่งอาหารหรือว่าปกป้องถิ่นฐานเท่านั้นนะและเวลาทำา้ายนี้ก็สามารถจะทำร้ายคนได้เป็นพันเป็นหมื่น เป็นแสนเป็นล้านก็มีนะฮิตเลอร์นี่เอาคนยิวในยุโรปเนี่ยมามาฆ่าเรียกว่าทำลายล้างเผ่าพันธ์เลยหกล้านคนใช้เวลาประมาณสี่ปีแลวใช้สติปัญญาที่มีเนี่ยในการคิดหาหนทางว่าทำยังไงถึงจะทำลายล้าง หรือว่าค่าเนี่ยได้เร็วที่สุดและก็สิ้นเปลืองน้อยที่สุดแลนะมีการใช้การคำนวณมีการวางแผนเพื่อให้สามารถจะส่งคนลำเลียงชาวยูจากประเทศต่างๆมาที่ค่ายนรกแล้วก็ทำการสังหารใช้ลูกปืนนี่มันเปลืองนะ วิธีที่ถูกสื่ก็คือใช้กา๊าซลมควันะขนาดจะฆ่าแล้วเนี่ยก็ยังคิดหาวิธีที่จะฆ่าโดยใช้เงินทองน้อยที่สุดแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดนะเพราะฉะนั้นเวลาสี่ปีเนี่ยฆ่าไปหกล้านคนโดยที่แทบจะไม่เป็นข่าวเลยเพราะว่าทำแบบเงียบเชียบมาก แล้ว น, นี่ปัญญาของมนุษย์มันก็ถูกมาใช้เพื่อการทำลายล้างซึ่งกันและกันได้หกล้านคนนี่มันก็เท่ากับประเทศลาวทั้งประเทศเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่ามนุษย์เราประเสริฐเพราะมีปัญญามันก็พูดไม่ได้ ในแง่ของชาวพุทธมนุษย์เราประเสริฐได้เพราะเราฝึกฝนตนนะแล้วการฝึกฝนตนนี่แหละถ้าฝึกฝนได้ถูกทางก็สามารถทําให้มนุษย์เหล่านี้ประเสริฐจริงกว่าเทวดามารพรมสอิอย่างพระพุทธองค์นี้ก็เป็นแบบอย่างของมนุษย์ที่ฝึกฝนตน อย่างถึงที่สุดศาสนาพูดธไมเหมือนศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นเนี่ยเขามีพระเจ้านั้นมนุษย์เราไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแต่ศรัทธาในพระเจ้าก็สามารถจะขึ้นสวรรค์ได้แต่ว่าชาวพูดเราไม่มีพระเจ้านันจะใช้ศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่พอ แต่ต้องฝึกฝนตนเพื่อพัฒนาอาจจะเรียกว่าหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยคือการฝึกฝนตนก็ได้อันนี้เป็นงานของของชาวพุทธเลยทีเดียวมีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งสามมณจ น, น, น้อยก็เดินตามบินทบาทภาษาลีบุตร ระหว่างที่บินธบะเนี่ยก็เดินผ่านทุ่งนาก็เห็นชาวนานี่กำลังไขน้ำเข้านาเดินไปสักพักเข้าไปในบ้านก็เห็นช่างทาสอนลูกสอนเนี่ยกำลังกำลังดัดคันสอนอยู่กำลังดัดคันธนูอยู่ก็ไปสักพักก็เจอช่างไม้กำลังถากไม้ อันนี้ก็เป็นฉากที่เห็นได้ตาปกติเวลาเราเข้าไปในหมู่บ้านก็ก็เห็นนะภาพแบบนี้ชาวนาไถน้ำเข้านาช่างธนูกำลังดัดคันธนูอยู่ช่างไม้ก็กำลังถากไม้แต่ว่าสามเณรคนที่ฉลาดก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเออ คนอาชีพนั้นอาชีพนี้เขากาลังดัดทํานูวนทํานี่แล้วเราซึ่งเป็นนักบวชเราควรจะทำอะไรแล้วก็สังเกตต่อไปว่าเออน้านี่มันก็ยังดัดก็ยังควบคุมได้ให้ไปทางนั้นทางนี้นไม้นี่มันก็ดัดได้ให้เป็นลูกศรให้เป็นคันธนู แล้วคนเราล่ะทำไมถึงจะดัดหรือฝึกตนไม่ได้ท่านก็เลยได้ได้คติธรรมว่าชาวนาไถน้ำเข้านานะช่างธนูทำลูกศรช่างไม้ถักไม้ส่วนบัณฑิตนั้นก็ต้องฝึกตนสินะพอได้คลิปเช่นนี้ก็เกิดนะเกิดเกิด ฉันท่าอย่างแรงกล้าว่าจะฝึกฝนตนก็เลยขอลาพระสายริบุตรนะว่ า, ามีทุนละก็เลยแทนที่จะบินธบาตต่อก็กลับมาที่วิหารเพื่อจะมาบำเพ็ญตนฝึกจิตฝึกใจ ระหว่างนั้นเองก็ใช้เวลาอยู่สักอยู่พักใหญ่นั้นในการบําเพ็ญภาวนาที่วิหารก็พอดีพระสยรัยเบุตรกลับจากบินธรบาดพระพุทธองค์ท่านยังทราบเหตุการณ์เห็นว่าสามนเณรนี้กําลังจะใกล้จะบรรลุธรรมแล้วแต่ก็กลัวว่าพระสยรัยเบุตรจะมาทําให้การบําเพ็ญภาวนาของสามนเณรหยุดชะงัก เลยพระพุทงก็เลยไปไปทวงเวลาไว้นะก็โดยไปคุยกับพระสายรุบุตรระหว่างที่คุยทวงเวลานี่สามเณรก็บำเพ็ญภาวนาจนถึงขั้นแล้วก็บรรลุธรรมนะเป็นพระอรหรันต์ อันนี้เกิดขึ้นโดยที่ภาษาลิบตรไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าสามเณรนี่ก็เป็นคนที่ฉลาดเหตุการณ์ปกติธรรมดานี่ก็สามารถจะมองให้เพ็นให้เป็นธรรมะได้ท่านเห็นชาวนาไข้น้าเข้านาก็ด้แง่คิดว่าออน้ำนี่มันก็ยังดัดได้นะเส้นทางน้ำเนี่ยก็ยังสามารถจะควบคุม ให้ไปทางนั้นทางนี้ได้ไม้นี่ก็ยังดัดได้นะแล้วใจคนเนี่ยมันจะฝึกไม่ได้เ่ยหรือใจิตใจคนนี่สามารถทำอะไรได้มากมายยิ่งกว่าน้ำยิ่งกว่าไมนะ้นั่นสามารถจะฝึ ก, ฝกให้ ก, ใหกิเลสเบาบางสามารถที่จะฝึกให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ นั่นี่เป็นหน้าที่ของบัณฑิตคนอาชีพอื่นก็ไปไปดัดแปลงสิ่งนอกตัวเช่นช่างช่างซ่อมรถนี่ก็ไปซ่อมรถควบคุมรถนะใช่เราจะสังเกตว่อาชีพอื่นๆนี่ก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวเรื่องการควบคุมสิ่งภายนอก ส่วนนักบวชหรือว่าบัณฑิตเนี่ยท่านมีหน้า ท, ที่ที่สำคัญกว่า น, นั้นก็คือการฝึกตนนะการฝึกตนนี่คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรือว่าการที่จะดัดแปลงตนเองคนก็ไม่ค่อยสนใจส่วนใหญ่คิดแต่จะไปตัดแปลงเปลี่ยนแปลงสิ่งนอกตัวช่างนั้นช่างนี้เนี่ยก็ทนะํานก็ทำเรื่องการควบคุมสิ่งภายนอก หมอและพยาบาล น, นะก็ไปจัดการกับอวัยวะของคนอื่นนะไปช่วยนะซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอในร่างกายของคนอื่นแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยไม่มีอาชีพอะไรนอกจากการฝึกฝนตน แล้วเมื่อฝึกฝนตนแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งของตนได้พวาเราคงเคยได้ยินนะพุทธพาสิทธิ์ที่ว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้คนไทยเราชาวพุทธเราคุ้นเคยดีนะตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ที่จริงพุทธพาสิทธนี้ยังมีความยังมีข้อความมากกว่า น, นี้แต่มักจะไม่ค่อยเป็นที่รู้กัน คือนอกจากท่านจะตัดว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วท่านยังตัดต่อไปว่าบุคคลที่ฝึกตนนะบุคคลที่ฝึกตนได้ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากนะถ้าเราฝึกตนเมื่อไหร่เราก็จะได้ที่พึ่งซึ่งหายยากมากเรามักจะไปหวังพึ่งพาพ่อแม่พอโตขึ้นหน่อยก็ อาจจะหวังพึ่งสามีหรือไม่ก็หวังพึ่งเจ้านายมากกว่านั้นก็หวังพึ่งรัฐบาลหรือไม่ก็หวังพึ่งเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มนุษย์เราเป็นอย่างนี้นะคือพึ่งมาตลอดหวังพึ่งคนอื่นมาตลอดรวมตั้งตอนเป็นเด็กก็หวังพึ่งพ่อแม่ แม้โตแล้วก็ยังพึ่งโน่นพึ่งนี่ผู้ใหญ่นี่ก็เดี๋ยวนี้ก็พึ่งเจ้านายเป็นมากในเมืองไทยตอนนี้คือถ้าไม่ไม่เลีอยแข่งเลี้ยขาหรือไม่ประจบประแจงเจ้านายก็ไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าได้มีความคิดแบบนั้นเพราะนั้นก็จะประจบประแจงเจ้านายหวังพึ่งเจ้านายเพื่อเจ้านายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้ ไม่คิดจะพึ่งความเปลียงของตนแต่ว่าในแง่ของชาพูดแล้วเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งไหนที่ดีกว่าตัวเองไม่มีที่พึ่งไหนที่ประเสริฐกว่าตนเองแล้วจะพึ่งได้อย่างไรก็ต้องฝึกสนะิต้องฝึกฝึกทั้งกายวาจาและใจ อันนี้เรียกวกขาศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าฝึกกายฝึกวาจามก็ยังก็ยากแต่ว่าไม่ยากเท่าการฝึกใจนันถ้าเราฝึกจิตให้ดีให้มีสติให้มีปัญญาให้มีความเพียรมีความอดทนมีสมาธนะิก็จะทำให้เจริญก้าวหน้าได้จะสร้างความเจริญให้แก่ตัวเองก็ สร้างได้ด้วยความเพียรของตัวหรือว่าจะพาตนออกจากทุกข์ก็ทำได้นะด้วยความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาอย่างที่พูดเมื่อวานนะเจ็บป่วยก็สามารถจะพาตนหรือพาจิตออกจากความทุกข์ได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจเวลาประสบกับความพัดภาคสูญเสีย คนรักตายจากทรัพสมบัติผังพินาศ น, นะก็ยังสามารถรักษาใจไม่ให้ทุกได้อนนี้เพราะอะไรก็เพราะมีตนเป็นที่พึ่งและมีตนเป็นที่พึ่งแด้ก็เพราะฝึกตนนะฝึกจิตฝึกใจเอาไว้ที่จริงเนี่ยสัตว์มันก็ฝึกได้นะแล้วก็ฝึกให้ทำอะไรที่ บางครั้งมนุษย์ทำไม่ได้ด้วยซ้ำเคยเห็นเขาฝึกปลานะปลาเนี่ยไม่ใช่ปลาปลาตัวใหญ่ๆอย่างปลาวานหรือว่าปลาโลมานะปลาทองเนี่ยเขาก็ฝึกให้มันวิ่งให้มันว่ายเนี่ยเป็นฝูงเลยว่ายตามเสียงเพลงเปิดเพลงแล้วให้มันว่ายมันก็ว่ายไปมา เป็นฝูงเนี่ยพร้อมๆกันตามจังหวะเพลงไม่รู้ทาได้ยังไงนะเขาถ่ายเป็นวิดีโอหรือว่าฝึกหมานี่ให้เต้นลำให้เต้นลำกับคนตามจังหวะเพลงมีท่าปแปลกๆนะแล้วเต้นลำให้เต้ ง, ง่ายๆมันต้องยืนสองขาแล้วก็บางทีก็หมุนตัวแล้วบางทีก็ กระโดดม้วนตัวตามจังหวะเพลงแล้วก็ต้องเข้ากับคนซึ่งเป็นคู่เต้นด้วยโอ้ทำได้ยากมากถ้าคนอาจจะทาไม่ได้คนธรรมด า, า จ, จะทำไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ได้ฝึกมาแต่หมานี่มันทำได้สัตว์ชนิดอื่นก็ทำได้เหมือนกันมันมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเกี่ยวกับ ความสามารถแปลกๆของสัตว์นกแก้วนี่ฝึกให้เรียนเสียงแมวก็ได้เรียนเสียงคนอันนี้ทำได้ง่ายอยู่แล้วฝึกให้เรียนเสียงหมาก็ทำได้ฝึกให้เรียนเสียงนกชนิดอื่นก็ทำได้อันนี้เพราะผ่านการฝึกมาแต่ว่าจะฝึกให้ รู้เท่าทันตัวเองฝึกให้ออกจากทุกข์ฝึกให้เกิดปัญญารู้ว่าทุกข์มันมาจากไหนเนี่ยยากาชาวพุเหเรานี่หน้าที่แรกก็คือการฝึกตนนะให้เรานี้ไปฝึกใช้อย่างอื่นไปฝึกอย่างอื่นซะเยอะแต่ว่าฝึกตนนี่ไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่โดวยว่าฝึกเรื่องจิตใจ ฝึกยิมนี่ก็ฝึกกันนะฝึกพูดก็ฝึกกันฝึกใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็ฝึกกันมากมายบางทีฝึกให้สามารถจะนั่งนิ่งๆได้อย่างทหารยืนนิ่งๆได้เป็นชั่วโมงหรือว่ายืนนิ่งๆเพื่อต้อนรับนะอย่างพวกพนัก ง, งานต้อนรับนี่บางแห่งนี่ก็ฝึกให้ยืนนิ่งๆแล้วก็ เอาไม้หรือเอากระดาษเนี่ยวางไว้บนหัวเพื่อไม่ให้ตกลงมาอันนั้นฝึกเรื่องกายฝึกเรื่องวาจา ก, ก็ฝึกกันได้ฝึกกันมากด้วยแต่ว่าฝึกใจนี่ไม่ค่อยได้ฝึกกันเท่าไหร่เลยเพราะฝึกใจให้เห็นกับตัวน้อยลงฝึกใจให้มีเมตตาให้เกิดปัญญานะเห็นรู้เท่าทันกิเลสไม่ตกเป็นท่าคลองงามของกิเลส อันนี้เป็นงานของชาวพุทธเรล่านะเป็นงานของบุคคลที่ได้ชื่วบัณฑิตบัณฑิตในพุทธศาสนาเนี่ยความหมายจริงๆคือผู้ที่ฝึกตนไม่ใช่ว่าผู้ที่ไปเรียนหนังสือในห้องเรียนจนได้ปริญญาปัดรตอ น, นั้นไม่ใช่บัณฑิตในพุทธศาสนาเราต้องฝึกตนแล้วฝึกตนเนี่ยจนกระทั่งว่าสามารถจะเป็นที่พึ่งได้ อันนี้ไม่ขัดกับการที่เรานับถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะนะเราถึงพระรัตนตรยัยหรือนับถือเป็นสารณะเนี่ยก็เพื่อเป็นแบบอยา่างหรือแนวทางในการฝึกตนตถ้านับถือพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยงอมืองอไม้คิดแต่พึ่งพาด้วยการบ่นบาลสารกล่าว ไปขอให้หลวงพ่อท่านช่วยโน้นช่วยนี่หรือบางทีก็ไปบ่นบานกับพระพุทธรูปอย่างเช่นพระหลวงพ่อโสธรพระแก้วเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เรียกว่านับถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะนะนับถือไม่ถูกถ้านับถือเป็นสารณะคือถือว่าพระพุทธองค์เป็นแบบอย่าง ที่จะบันดาลใจให้เราภาคเพียรพยายามเพื่อการพ้นทุกข์เพราะพระองค์ได้ทำให้เราเห็นมาแล้วแล้วก็ได้ส่งประทานคำสอนที่สงคนพบมาให้เราเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีพระสงฆ์ซึ่งยังมีมีเลือดมีเนื้อมีชีวิตเป็นแบบอย่างให้เราสามารถปฏิบัติหรือว่าไต่ถามนะ สอบถามท่านได้อันนี้ก็คือการนับถือพระรัตนตรัยนะเป็นที่พึ่งเพื่ออะไรเพื่อให้สามารถฝึกฝนตนได้นะอย่างไม่ท้อแท้แล้วก็รู้ว่าจะฝึกฝนตนอย่างไรมันจะมีบทสวดบทหนึ่งนะที่บอกว่าเนี่ยการนับถือการนับถือพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยนับถือเพื่อให้ เกิดความเข้าใจในอริยสัตส์4เข้าใจเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็คือนับถือเพื่อจะได้เกิดปัญญารู้ว่าทุกข์คืออะไรรู้ว่าทุกข์มาจากไหนรู้ว่าจุดหมายของช่วยคือการพ้นทุกข์คือการดับการดับตัณหาแล้วก็ รู้ว่าจะทําอย่างไรนะถึงจะทําให้ตัณหาอุปาทานมันหมดไปได้เนีถ้านับถือพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยไม่เกิดปัญญาไม่เข้าใจอริยสัจสีเนี่ยก็ยังเรียกว่าอย่างนับถือไม่ถูกต้องนะถ้าพวกเรานี่ชาวพุทธเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราเข้าใจพระรัตนตรัยแค่ไหนเราเข้าใจอริยสัจสี่แค่ไหนเรา ทำความเพียรเพื่อที่จะฝึกฝนตนแค่ไหนจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปไหมจากเดิมไม่ใช่แค่ตัวโตขึ้นกินจุมากขึ้นแต่ว่าจิตใจไม่ได้เบาบางลงเลยกิเลสไม่ได้เบาบางลงเลยจิตใจไม่โปร่งเบาอายุมากขึ้น ตัวโตตัวสูงขึ้นนะแต่ว่าใจิตใจนะไม่โปร่งเบาหรือว่ากิเลสแม่เบาบางอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ฝึกฝนตนเท่าไหร่ให้การฝึกตนนี่มันทำได้ทุกคนนะเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าแม้แต่สัตว์นี่ก็ยังฝึกฝนฝึกฝนได้แต่สัตว์นี่เขาฝึกฝน กับกริยาแต่มนุษย์เราเนี่ยต้องฝึกฝนลงไปที่ใจไม่ใช่แค่กายวาจาเท่านั้นต้องฝึกฝนลงไปที่ใจและคนไม่ว่าเป็นใครก็ตามก็ฝึกได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่<ม>เด็กที่บรรลุธรรมในขณะที่เป็นสามนเนรนี่ก็มีเยอะนะในสมัยพุทธกาล อย่างนาวิสาขาเนี่ก็บรรลุธรรมนะเจ็ดขั้วเพนั่นแหละแต่เป็นแค่โสดาบันนะยังไม่เป็นพระรหันต์แต่ที่เป็นพระรหันต์นี่ก็มีอยู่บางทีขณะที่กําลังปรงผมนั่นแหละปรงผมขั้นที่หนึ่งก็โสดาบันโกนขั้นที่สองก็สกิทาขาขั้นที่สามก็อนาคาขั้งที่สี่ก็เป็นพระรหันต์เลยอันนี้เพราะท่านมีปัญญามากเหล่านี้ก็ ก็จะถึงอย่างนั้นได้เนี่ยก็ต้องฝึกอีกเยอะนะแต่ก็อย่าท้อแท้ท้อถอยเราก็พอสมควรก่เวลานะอาพอไม่ออกเดี๋ยวก็จะนะลักศีน